บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปได้แสดงมาในส่วนที่ว่าด้วยทา ต, ตามลำดับแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วจะพบว่าพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านั้น เมื่อสืบสาวถึงจุดย่อยที่สุดแห่งธรรมนั้ น, น, นก็จะใช้คำประทัดไปทั้งหมดเช่นสังคตธาตุคือมีปัจจัยปรุงแต่งอสังคตธาตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นก็เป็นการแสดงธรรมะในสองแนวคือแนวที่เป็นโลกิยะกับแนวที่เป็นโลกุตระ จุดหมายสูงสุดของโลกิยะคือระดับโลกโลกตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนสุดท้ายล้วนแล้วแต่เป็นสังคตธาตุคือมีปัจจัยประกอบปรุงแต่งด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าองค์ประกอบของปัจจัยจะมีลักษณะประณีตขึ้นไปโดยลำดับจนถึงสังคตธาตุ ที่มีความประนีติสุกแต่ก็ยังเป็นโลกิยะเพราะเป็นสังกตธาตุอีกสายหนึ่งนั้นบางครั้งทรงใช้คำว่นนานิพพานธาตุหรืออสังกตธาตุได้แก่สภาวะอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์ตามหลักของใจสิกขาตัวใจสิกขาเอง ก็เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งคือยังเป็นสังกติธาตุแต่ว่าตัวผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําให้สมบูรณ์ในไตรจิกาก็เป็นอสังกติธาตุคือไม่มีปัจจัยปรุงแต่งลักษณะของโลกิยะกับโลกุตระจึงมีภาวะที่ตรงกันข้ามในส่วนของโลกิยะนั้น เกิดขึ้นมาจากปัจจัยประกอบปรุงแต่งดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นอนิจจงคือไม่เชื่อทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาเป็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่และมีการดับไปตามเงื่อนไขสำคัญคือเหตุปัจจัยที่เข้ามาประกอบปรุงแต่งให้เกิดขึ้น แต่สภาวะที่เป็นอสังขตะคือไม่มีปัจจัยปรงแต่งนั้นก็เป็นความจริงอีกด้านหนึ่งคือเป็นนิ จ, จะเที่ยงแท้เป็นสุขเป็นสุขแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นอนัตตาคือว่างจากตัณหาว่างจากวานะว่างจากกิเลสก็เป็นเหตุได้ว่างจากความทุกข์คือหลุดพ้นจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข การปฏิบัติธรรมะในส่วนหนึ่งจึงต้องการให้เรียนรู้ถึงความเป็นธาตุแห่งสิ่งเหล่านั้นเพื่อรู้จักความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆและจะใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ไปตามสมควรแก่เหตุหรือแก่วัตถุแก่อารมณ์นั่นก็เป็นชั้นของสังกตะคือปัจจัยปรุงแต่ง ในชันหนึ่งนั้นเพื่อเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นาธาตุเหล่านั้นจนจิตใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในาธาตุสา r อ c ความกำหนัดความยุติดความยิน ด, ดีในสิ่งที่ศักดิ์เดิมธาตุเหล่านั้นจนเข้าถึงสภาวะที่เป็นอสังกตะคือไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง และนันการมองในสองแนวนี้จึงใช้ประโยชน์ได้ตามสมควรแก่ฐานะแห่งธรรมะข้อนี้จะพบอาการปฏิบัติในระดับในระดับที่เรียกว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตยรกยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นไปโดยลำดับนั้นสิ่งที่นำมาเรียนมาศึกษากันมากที่สุดก็คือเรื่องอายตนะ ที่เรามักพูดว่าขันธาตุอาจตนะเพราะอะไรเพราะโลกเราเป็นโลกของสัมผัสเรื่องอาจตนะนั้นเป็นเรื่องมีอยู่เป็นอยู่ทุกขณะแห่งชีวิตของบุคคลและเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญในทางที่จะให้เกิดเป็นกุศลหรืออกุศลขึ้นภายในจิตใจของบุคคลดอกนั้นและจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจ ในด้านอาการทางกายทางวิจาซึ่งอาจจะออกมาในทางบวกก็ได้ทางลบก็ได้ในข้อนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนระดับที่เรียกว่าอินเสียสังวรคือให้ใช้สติระดับหนึ่งเพื่อะลึกรู้อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาและพยายามให้แยกอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาได้ าอารมณ์เหล่านั้นเป็นอะไรซึ่งในการแยกนั้นจะแยกเป็นสองทางอยู่เสมอฉะนนว่ากุศลอกุศลบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จะแยกในลักษณะนั้นมันมีการแยกอารมณ์ได้ปัญญาก็จะทําทหน้าที่ตัดอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลเป็นบาปไม่มีประโยชน์ไม่เข้ามาสู่จิต แต่ในขณะเดียวกันก็นำเอาอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นปุ่นเป็นประโยชน์เข้ามาสู่จิตใจข้างต้นเพราะสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นเป็นต้นนั้นท่านเรียกว่าถาวรก็เหมือนกับประตูคือทางเข้าทางผ่านธรรมดาประตูนั้นจะไม่ว่าจะประตูอะไรก็ตามมันก็มีคนทั้งดีและไม่ดีผ่านสติจะต้องทาหน้าที่เหมือนนายประตู อยคอยตรวจสอบคนที่ผ่านเข้ามาประตูตาเป็นต้นว่าคนใดควรผ่านหรือไม่ควรผ่านนี่ก็เป็นการปฏิบัติในชั้นที่เรียกว่าอนินสิียสังวรซึ่งก็เป็นกันหลักการปฏิบัติในการรักษาประคบประคองคุณภาพจิตของบุคคลไว้ในชั้นหนึ่ง ถ้าหากว่าปริมาณของธรรมะคือสติสัมปชัญญะที่ใช่ไปในการสำรวมระวังมีสมรรถนะสูงมากขอก็จะระลึกรู้ได้เร็วและสินอารมณ์ได้เร็วโอกาสที่อารมณ์อันเป็นค่าศึกจะผ่านรอดเข้าไปยึดครองจิตใจนั้นจะมีได้น้อยทำให้สุขภาพจิตของบุคคลนนั้ น, นั้นดีขึ้น ไม่มีปัญหาในการดำรงชีวิตแม้จะอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะก็ตามแต่เมื่อใจิตใจเราไม่หวั่นไหวสิ่งเหล่านั้นก็ทำอะไรแกบุคคลไม่ได้ประการที่สิ่งเหล่านั้นมีอำนาจครอบงาใจของบุคคลได้ก็ต่อเมื่อใจิตใจของบุคคลไปยอมรับและอ่อนไหวไปตามอานาจของอารมณ์ดนั้น ดังนั้นในชั้นนี้จึงเป็นชั้นของการบริหารจิตเป็นเงื่อนต่อระหว่างศีลกับสมาธิคือถ้าในชั้นทั่วๆไปก็เป็นระดับสมาธิแต่ในชั้นที่ประณีตศีลคือศีลที่ประนีตขึ้นไปก็เป็นศีลแต่ในชั้นของการปฏิบัติแล้วจะเป็นตัวเชื่อมต่อกันระหว่างศีลกับสมาธิ สำหรับในระดับของการมองตามหลักของวิปัสสนาเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เป็นอสังกตะคือหลุดพ้นจากปัจจัยปรุงแต่งนั้นนอกจากกระทรงจาแนกธาตุเป็นหกและธาตุอื่นเป็นอีกอันมากแล้วยังอาศัยอายตนะภายในภายนอกนั่นเองเป็นฐานในการเรียนรู้ทําความเข้าใจ แต่เป็นการเจาะลึกลงไปในวัตถุเดียวกันในอารมณ์เดียวกันซึ่งข้อนี้ถ้าเรามองกันในด้านการศึกษาทั่ ว, วไปก็มีลักษณะอย่างนั้นเช่นวิชาการที่เราเคยเรียนมาในระดับประถมะมัธยมพอเรียนสูงขึ้นไปมันก็คงจะมีพื้นฐานมาจากประถมมัธยมนั่นเองแต่เป็นการศึกษาในรายละเอียด ในความเป็นมาเป็นการเจาะลึกลงไปในเรื่องเดวนั้นก็ยังไม่เคยออกไปจากเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมอารมณ์หรือตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นอารมณ์ของวิปัสสนาที่เรียกว่าวิปัสสนาภูมิคือภูมิอันเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดของวิปัสสนา คำว่าวิปัสนาคือปัญญาอันเห็นแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่เรียกว่าวิปัสนาซึ่งบางครั้งบางคราวนั้นทรงใช้คาว่าสมมับปัญญาคือเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง แต่การจะพิสูจน์ว่าเห็นหรือไม่เห็นนั้นต้องดูที่ความเปลี่ยนแปลงทางจิตว่าหลังจากเห็นแล้วจิตใจมีความเปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดหมายอารมณ์เเหล่านั้นหรือไม่แต่ยังมีความกาหนัดรักใคร่ยินดีอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เห็นแต่ถ้าหากว่า ทาย t อนความกำหนัดรักให้ยินดีจากการกำหนดหมายอารมณ์ซึ่งมักจะทรงแสดงในสามแนวอยู่ตลอดครนี้ควาว่าสามแนวนั้นพึงสังเกตว่าในชั้นศีลที่ท่านเรียกว่าอริยกัรแต่ศีลคือศีลที่พระอริยะชอบใจเป็นศีลระดับของพระอริยะ มันจะมีลักษณะอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นการรักษาศีลโดยไม่ได้กระทำไปด้วยอำนาจตันหามานะทิจิพอมาถึงชั้นของธรรมะก็อีกจะพูดโดยทานองเดียวกันว่าต้องถ่ายถอนตันหามานะทิจิในอายตนะภายในภายนอกเป็นต้นออกไปได้ อย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นการเห็นเป็นความรู้บางครั้งท่านจะใช้คำควบกันก็ญ า, า, าณทัศนะคือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นเ่อจะพูดอีกแนวหนึ่งก็คือความเห็นตามญาณที่เกิดผุดขึ้นภายในใจเป็นผลจากการประพฤติปฏิบัติอารมณ์ที่นำมาใช้ ตรงจะแนกออกมาเป็นขันทเป็นอายตนะ12เป็นธาตุสอินทรีย์2ี่อริยสัจสี่ปจิยาการ12รวมเป็นอารมณ์กรรมฐาน72อารมณ์ด้วยกันข้อนี้จะพบว่าในส่วนที่เป็นธาตุสินั้นแท้ที่จริงแล้วคล้ายๆจะเพิ่มแต่ก็จริงก็ไม่ได้เพิ่ม ประพัน์ใหญ่จริงๆมันอยู่ที่ขันท่าในขันท่านั้นเองจำแนกจุดย่อยออกเป็นอาญตนาสิบสองย่อยอีกทีหนึ่งเป็นธาตุสิบแปดย่อยอีกทีหนึ่งเป็นอินทรีย์ยี่สิบสองแล้วขันท่าและพวกเหล่านี้ก็อยู่ในเงื่อนไขของปฏิจจสมุปบาท ในาการเรียนการสอนวิปัสสนาบางครั้งถ้าหากว่าพื้นฐานความเข้าใจของบุคคลเดินหน้าไปพอสมควรแล้วก็ไม่ต้องไปนับอะไรมากพูดว่ารูปนามหรือนามรูปเอาสองอย่างถึงแม้จะพูดรูปนามหรือนามรูปก็ตามแต่ได้ครอบคลุมเนื้อหาของวิปัสสนาภูมิทั้งหมดไปในคําว่ารูปนาม ทีนี้คนเรานั้นพื้นเพอัตยานัย่อำนาจความแก่อ่อนแห่งอินทรีย์ไม่เหมือนกันคืนไปพูดอย่างนั้นอยู่ทุกทีคนหนึ่งอาจจะเข้าใจได้แต่คนหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการที่ใจของบุคคลไปหนักอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันหนักไม่เหมือนกันบางคนติดสยบในรูป บางคนก็หนักในเสียงบางคนหนักในกลิน่นบางคนหนักในรถบางคนหนักในสัมผัสบางคนก็หนักในธรรมอารมณ์อยู่ในโลกของความฝันไม่ยอมยเผชิญหน้าความจริงจิตใจจะแกว่งไปในอารมณ์ที่เป็นอนดีตบ้างแกวงไปในอารมณ์ที่เป็นอนาคตบ้างแก่งไปในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันบ้าง เพราะ ง, งั้นถ้าจะไปเรียนมากเกินไปสำหรับบุคคลบางคนที่กำหนดในแนวเดียวมันก็มีปัญหาดังนั้นจึงทรงสอนให้เห็นว่าแต่ละอย่างเป็นธาตุหมดใครไปหนักในรูปก็ให้มองรูปมองตามองวิญญาณที่เกี่ยวกับรูปคือความรู้รูปว่าเป็นศัก์แต่ว่าธาตุเท่านั้น คำว่าาตุหมายถึงอยายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอยายตนะภายนอกหคือรูปเสียงกลิ่นรสบุถพระอมา ร, รมกับสิ่งที่เรียวกว่าวิญญาณห 6, 6 3กสาก็เป็น18วิญญาณก็มาจากไหนก็คือการประจวบ ก, กันของตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสเป็นต้นนั่นเอง เราก็เรียกว่าวิญญาณเพราะอะไรเพราะคนบางคนนั้นติดในรูปติดในตาติดในวิญญาณบางคนติดหมดติดทั้งสามช่วงคือทั้งอยตนาภายในภายนอกและตัววิญญาณโรยเจ้าก็ทรงสอนให้มองในแง่ของความเป็นทาตไม่มีอะไรที่เป็นอยู่อย่างแท้จริง ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของบุคคลได้นั้นจะพบว่าเนื่องจากปัจจัยภายในคือการเก็บอารมณ์นั้นเอาไว้ในฐานะที่แตกต่างกันประการหนึ่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เกิดกำหนดรูปเป็นต้นในขณะนั้นๆก็เป็นอย่างไร เรือ่องหนึ่งคือการมาผสมระหว่างความคิดทั้งสองช่วงคือช่วงอดีตกับปัจจุบันไม่จำเป็นจะต้องไกลามากมายนะแล้วก็ได้แรงกระตุ้นมาจากภายนอกมันก็ขอให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอีกให้ลองสังเกตว่าเช่นความรู้สึกกำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดบางอย่างตัวอย่างเช่นกำหนัดในรูปหรือกำหนัดในเสียง ก็เก็บความพอใจรักใคร่ยินดีในเสียงนั้นไว้ภายในใจพอได้ยินอีกก็กำนัดอีกเป็นการเพิ่มขึ้นมาจากแรงสองฝ่ายคือแรงในอดีต ท, ที่เก็บเป็นเชื้ออยู่แล้วกับแรงข้าวสนับสนุนในปัจจุบันและทีนี้ในขณะที่เราเพลิดเพลินอยู่ในเสียงหนึ่งนั้นสมมติเรามีอีกเสียงหนึ่ง จะขึ้นแทรกซ้อนขึ้นมาไม่น่ายินดีเราก็จะเกิดหงุดหงิดไอใจที่กำหนัดในเสียงเดิมจะอ่อนลงเพราะถูกแยกเป็นสองสายก็ได้คือสายหนึ่งหักไปเป็นความไม่พอใจไปความเพลินก็หายไปกรนี้เพิ่งสังเกตว่าบางครั้งบางคราวในชีวิตประจำวันของเรานี่เอง กำลังทำการงานอยู่หรือกาลังฟังอะไรเพลิอนอยู่แล้วก็มีสิ่งหนึ่งข้า ม, มาตัดทาให้ความเพลินนั้นหยุดชะงักแล้วบางครั้งก็เลิกไปเลยถ้าไปรับข้างนอกมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันนั้นออกมาในรูปของความไม่พอใจแต่ไม่ได้หมายความว่าจะออกมาแนวนั้นเสมอไปบางครั้งมีเสียงหนึ่งซึ่งดีกว่าเสียงซึ่งกาลังเพลิอนอยู่มันก็ลดความกหนัดในเสียงนี้ลงไป ใจก็จะไปเกาะความกำหนัดในเสียงอีกเสียงหนึ่งมันก็วิ่งไปวิ่งมาวนเวียนกันอยู่จากนี้เองถ้าลองติดตามความเปลี่ยนแปลงของจิตแล้วจะพบว่าจิตมันก็เปลี่ยนแปลงก็มันไปนเรื่อยการกําหนดอารมณ์จึงไม่ใช่ข้อยุติตายตัวลงไปว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นมันมีองค์ประกอบมีเหตุมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นนันมาก เมอมองไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่น่าจะกำหนัดรักใครยินดีแต่การทรงสอนนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนหลายวิธีด้วยกันทำไมจึงต้องใช้หลายวิธีพระพื้นฐานทางบา ร, รมีของบุคคลแตกต่างกันอย่างกล่าวแล้วบางครั้งก็ทรงสอนเพียงแค่อดทนไม่ได้มองในแนวธาตบางครั้งทรงสอนให้หยุด การปรุงคิดหรือการคิดปรุงเวลาประสบกับอารมณ์เราทั้นไม่จะเป็นอยนายตนะภายในภายนอกหรือวิญญาณอันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามพอเกิดขึ้นให้หยุดความคิดไ้เท่านั้นหรือสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าเท่านั้นเองไม่มีการปรุงปรุงไปว่าดีหรือไม่ดีน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนา เมื่อหยุดปรุงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติกรรมาฐานนั้นอย่างได้ยินอยู่บ่อยๆว่าต้องการถ่ายถอนอภิชาและโทมนัตออกไปจากใจทั้งคนพอหยุดปรุงอภิชาโทมนัตมันก็ไม่เกิดเป็นอันว่าข้าศึกอาจจะประชิดติดรั้วบ้านแต่ก็ผ่านเข้ามาไม่ได้คนในบ้านก็ยังอยู่สบายๆดี อาจจะมีความตื่นเต้นนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ถึงกับมีอันตรายทีนี้อีกแนวหนึ่งนั้นทรงสอนให้เป็นการมองโดยสรุปคือได้เห็นก็สักแต่ว่าไเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้ทราบก็สักแต่ว่าทราบได้รู้ก็สักแต่ว่ารู้นั่นเป็นการมองตามแนวอายตนะภายใน เมื่อครู่นั้นพูดถึงแนวอายตนะภายนอกมันก็มองกันสองชั้นแต่พอชั้นหนึ่งนั้นเป็นการมองในแนวสัมพันธ์เอาใจรักเข้าจับทันทีเลยแต่ยังไม่ถึงแยกเป็นธาตุพอรูปเกิดขึ้นพอเห็นรูปก็ดีฟังเสียงก็ดีมีจักขวิญญาณความรู้ทางตาเกิดขึ้นก็ดีนั่น มองในแนวสัมพันธ์คือระลึกถึงายรักแล้วนำมาจับได้ทันทีนำมาจับได้ในทันทีทันใดเลยก็มองให้เห็นในแง่ของความไม่เชี่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ควรแก่การทีดติดข้อนี้เพึงเห็นว่าถ้าเราจับมองให้ได้ในจุดใดสักจุดหนึ่งเช่นมองให้เห็นว่า อริตรนัภายในภายนอกวิญญาณ น, นั้นเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเป็นของไม่เที่ยงจะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่มีลักษณะอย่างนี้มีปกติเป็นอย่างนี้ก็ตกอยู่ในสภาวะที่เป็นทุกข์เพราะคงสภาพเดิมไว้ไม่ได้เพราะมีอาการแผดเผามีความ เปลี่ยนแปลงแปรปรวนมีความเร่าร้อนบังเกิดขึ้นจึงไม่ควรแก่การไปยึดติดว่าเอตังมะมะนั่นของเราเอโสหมิดั่นเป็นเราเอโสเมอาตานั่นเป็นตัวเป็นตนของเราค้อนี้เป็นการมองในการเชื่อมประสานสัมพันธ์กันคือเห็นตลอดสายของไตรลักษณ์ แล้บางครั้งไม่จําเป็นจะต้องมองขนาดนั้นก็ได้คือเอาใจละเพียงจุดใดจุดหนึ่งหรือข้อใดข้อหนึ่งให้เห็นเพียงข้อเดียวก่อนและต่อจากนั้นก็จะเห็นในข้ออื่นๆกนนี้ก็เป็นไปยอย่างที่พระมกขราชได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์จักมองเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะตามไม่ทันคือไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความตายอีกต่อไปพระพุทธเจ้ารับสั่งแสดงว่าดูกอรโมค ร, ราชเตจุ ม, มองโลกนี้เป็นของสุดคือว่างไม่มีตัวมีตนมีเรามีเขาอะไรการมองในแนวนี้ จริงๆเพราะว่าถ้ามองในแนวแนรวมวก็เหมือนกับมองเส้นที่ขีดด้วยช็อกจากที่ไกลก็มองเป็นเส้นแต่ถ้ามองในแนวไตรลักษณ์ก็คือเอากล้องขยายไปสองดูหรือกล้องจุดละทัดไปสองดูก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงไม่มีเส้นเส้นนั้นเป็นภาพรวมตาเฉยๆเป็นเพียงมายาเฉยๆเพราะั้นความเป็นคนเป็นสัตว์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ที่จริงเป็นการเรียงของอนูเล็กๆเป็นจํานวนหลายร้อยหลายพันหลายแสนกดเรียงต่อต่อกันไปเหมือนกับเส้นช็อกคืออนูเล็กๆของช็อกที่มาวางเรียงกันเรามองไกลก็เป็นเส้นมองใกล้ก็ไม่มีมีแต่อนูเล็กๆมาวางเรียงกันเท่านั้นเพราะนั้นมองไกลก็คือมองแบบสมมตุติมองใกล้ก็คือมองแบบวิปัสสนา เป็นการเห็นแจมแจ้งแท้จริงเป็นการมองจุดเดียวกันในเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการมองก็ดีวัตถุประสงค์ในการมองก็ดีไม่เหมือนกันจึงทรงสอนให้มองเห็นโลกเป็นของบ้างเป็นของศูนย์คือไม่มีอะไรเป็นเพียงอนุเล็กๆมาเกาะกลุ่มกันหรือเพียงเป็นแตบบ่เพียงธาตเป็นตนน้น แล้วถอนอัตตานุทิจิคือความเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราออกไปถ้าถอนออกไปได้ก็จะไม่สู่อำนาจของความตายอีกต่อไปคือยุติการเกิดมันไม่เกิดก็ไม่ตายจุดมุ่งหมายสาคัญในการปฏิบัตินั้นเรต้องการยุติสังสาระืนการเวียนว่ายตายเกิด นั่นก็เป็นวัตถุประสงค์ในการเจริญวิปัสนาการมองในแง่ที่เป็นธาตุือเห็นว่าแท้ที่จริงไม่ว่าอะไรก็ตามจะหยิบมาจากอย่างหนึ่งรูปที่บุคคลกำหนดในฐานะหน้ากำหนัดหรือหน้าขัดเคืองหรือกลางๆ ก, ก็ตามที่จริงรูปนั้นไม่มีอยู่โดยสภาวะที่แท้จริงเป็นการมีอย่างเส้น ช็อกที่เขียนบนกระดานเท่านั้นเนื่องจากมองไกลๆก็เห็นเป็นเส้นดังกล่าวแล้วพอย่อ่ยออกไปมันก็หาความเป็นรูปก็ไม่ได้เป็นตาก็หาไม่ได้เป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นต้นก็หาไม่ได้แล้วเมื่อมองจนเข้าใจได้ในลักษณะ น, นี้ผลที่เกิดขึ้นจากการมองไม่ว่าจะมองในนามในแง่รวมเป็นนามารูปก็ดี หรือมองแยกก็เป็นดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณก็ดีหรือมองแยกก็เป็นพาสสิบกก็ดีแท้จริงแล้วก็คือเรียนจากชีวิตของเราจากปลายผมถึงปลายเล็บเท้าเท่านั้นเองทั้งหมดนั้นรวมกันอยู่ในทีน่นี้และผลที่เกิดขึ้นจากความรู้ความเห็นก็จะออกมาในแนวเดียวกัน อย่างที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นอนานานันมากเช่นว่าพวกเหล่านี้ทั้งสิบปดเนี่ยที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลอยู่ก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็สักแต่ว่าศักแตว่ตว่ารูปสักแตว่ว่าตาสักแตว่ตว่า ว, วิญญาณศักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าหูสักแต่ว่าโสตะวิญญาณเป็นต้นก็ศักแต่ว่าเท่านั้น ไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทางเราไม่เป็นทั้งตัวตนของเรานี่คือความจริงชั้นแท้จริงที่เรียกว่าเป็นความจริงชั้นปรัมันซึ่งมุ่งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติให้สามารถถ่ายทอนตันหามานะทิธิออกไปคือตันหาคือการกําหนดหมายว่าเป็นของเรามานะการกําหนดหมายว่าเป็นเรา ทิฏฐิการกำหนดหมายว่าเป็นตัวเป็นตนของเราออกไปดังนั้นอุปกรณ์ในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดวิปัสสนาปัญญานั้นเย่ยยาไปติดใจในรูปแบบแต่จริงเป็นการพูดเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยเจะหยิบอารมณ์อะไรขึ้นมากำหนดให้ใจสงบก็เป็นสมถะกำหนดใช้ปัญญาวิปัสสนาพิจารกก็เป็นวิปัสสนา สายของสมถะาาพอถึงสมาธิก็เป็นสมาธิด้วยกันสายวิปัสนาพอเกิดปัญญาก็จะถ่ายถอนตัญหามานาทิฐิออกได้เช่นเดียวกันก็สำคัญจะเดินทางให้ผิดกั น, กนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป